เสีได้เสีได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเขากําลังมีศรัทธามาบวชมันดีเหลือเกินทําไมพระไทยเนียนไทยทําไมถึงสึกกันเขาตกใจเขาน้อยใจทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมตื่นเต้น การตื่นเต้นโดยการสึกของพระไทยเนียนไทยก็เข้ามาพบใหม่ๆนี่เขาตั้งใจมีศรัทธาเนี่ยบวชมันดีแล้วเขาตั้งใจคิดว่าจะไม่สึกแล้วมันดีแล้วคือไปทําไมใครสึกแล้วก็โง่ขนาดนั้นนะมาเห็นพระไทยเนียนไทยเข้าพรรษาแล้วก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็สึกโงยสะดุดใจตกใจ ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้ น, นตัววราระประโยชน์หรือตัวสําคัญโอ้สองสารนี่สงสารพระไทยเว้ย ส, ง ส, สงสารสงสารสามัญชนไทยไปฉายทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพอดีอยู่ต่อมาต่อม า, าพระฝรังก็อยากศึกบ้าง พระพลังก็อยากศึกมั่ก็ได้ศึกได้เห็นเป็นของที่ไม่สําคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสําคัญมากการหวดนึกว่าจะเอา ง, ง่ายๆนี่นึกว่าจะทำเอา ง, ง่ายเมื่อใจของคนกําลังมีซัตทานมันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็ดีคิดอะไรมันก็ถูกไปทั้งนั้นเลยไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเราเอง ของเจยวของไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตนี่ท่านทำยังไงท่านจะต้องมีหลากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตของท่านแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรมากมผมก็เหมือนกาอ <c oughs> ถูกบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึก ไม่ได้ฝึกผลนะครับแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกํากเนิดของเราคนหนึน่้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันมาออกพรรษาเนี่เขาศึกพรอมมองเห็นว่าเอ๊ะพวกนี้มันยังไงกันนาะแต่เราก็ไม่ปลาพูดครับเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราพวกนี้มันโง่งหลาย บวชมันบวชยากศึกมันศึกง่ายไอ้พวกนี้มีบุญน้อยไม่มีบุญมากอเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากก็ทางธรรมะนี่เราก็เห็ น, นแต่เราไม่พูดแต่เรามีพูดเราก็ดูดู ด, ดูมองดูดูใจในจิตของเจ้าของเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันศึกไปด้วย บางทีก็เอาเครื่องเตียงตัวมาใสา่ต่อไปเดินอืเราเห็นมันเป็นบาวทุกกระเบียดเลยแต่เขาว่ามันดีสวยซึกไปจะต้องไปทําอย่างนั้นซึกไปจะต้องไปทําอย่างนี่โอ้ใหญ่โตโหดทานแต่เราก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดเพื่อนครับ่บคิดอย่างนั้นมันผิดกไ็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรายังมันเป็นของไม่แน่อยู่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 ทเท่าไปหาท่องปฏิมูกขงจ้าองอยู่บ่อว่าเราันหมดภาระกับพวกผูงแล้วไม่มีใครมารอเรียนอะไรเล่นต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดป่าอะไรเ <c oughs> นี่ยานี้เราเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตเอาหาใหม่บางทีก็อายุเจ็ดสิบก็มีแปดสิบก็มีเก้าสิบก็มี เราจะพยายามปฏิปทาให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้มันคลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาให้มันมั่งเสมออย่างนี้มันยากหนักยัางนั้นจึงไม่กล้าพูดทิ้งไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นคนที่บวชมากบวชไปคนที่ศึกกอดศึกไปอะไรก็แก็ดูอยู่ไม่กล้าจะพูดอยู่มาเรื่อยๆอย่าอยู่ไปก็มีว่าจะศึกก็มีว่าดูเพื่อนเข้าไป แต่ความรู้สึกภายในจิตของเร า, าไอ้พวกนี้มันไม่เห็นชัดไอ้พวกฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นอย่างอย่างบรมนอยู่ตกใจเห็นพาบวชพรรษาหนึ่งก็ตกใจสึกอะไรใครมาพรรษาสึกอย่างนี้คือคือแบบมันไม่รอบครอบในตัวเองน่่นเอมต่อมาต่อมาก็เรียกว่า เบือ่อเบื่อความเป็นอยู่ของเราเบื่อความเป็นอยู่ของเป็นพระภิกษุษสมณีนเบื่อพมจันคลายความเพียรคลายอ้อคลายออกมาดีด้วยๆมาคนสุดก็สึกวัรปัญโยทำไมต้งสึกละ่ะ แต่ก่อนเห็นพระไทยสืกอไดวไหม่เสียดายน่าสล ด, ดทั้งเมตสงสารตัวเราสืกทําไมไม่สงสารตัวเราหรือเนี่ยไม่พูดยิ้มยิ้มเท่า น, นั้นไม่พูดนี่นนเรื่องการปฏิบัติในจิตของเจ้าของนี่ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินใดง่ายๆเพราะว่าพยานมันมันไม่มีเพราะเอาตัวเองเปลี่นพยานมันลาบากอยู่นะ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 จนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน้นก็ไม่เป็นนี้ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนะ่ะถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่โดยมากผู้ปฏิบัติของเราชอบถลำไปอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกันครับใคร ใครตำรวจอะไรพันตรีอะไรที่เขียนหนังสือมาผมว่จาจ่าหนังส่องาตายเป็นตายอือย่างนี้มันคือความรู้สึกเกิดขึ้นภายในจิตของเจ้าของตายเป็นตายมันหนังสือนัเกเพลงอย่างนี้พอรู้สึกอย่างงั้นก็พูดไปเลยว่ามันตายเป็นตายอือย่างนี้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 เนี่ยพยายามหาเด็กที่มาสักให้มันเป็นตัวหนังสือใส่วีแขรงวมันโง่ทึงขนาดนั้นแหละว่นันโง่ึงขนาดนั้นมันแปลกนะอืมบางทีว่ามันถึงที่สุดแล้วเปล่าไม่ถึงแล้วเมื่อเราคิดอะไรเมื่อมันถึงที่สุดนึกว่ามันมันถึงที่สุดมันนั่ไงว่า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 อันนั่นก็ดีอันนึงก็ถูกตีกไปก็ไปยึดในความถูกนั่นอีกผลทุดท้ายก็ผิดอีกถลก้ำไปอีกละอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมนันนะในครั้งพุทธกาลเราก็มีพระเน่ะ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 สมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็ไม่นมันมีศรัทธาในทางพุทธศาสนาะท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอธิโมก ศรัทธาทีโมกนะมันมีศรัทธาจริงแต่ว่าศรัทธามันตราบตจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราคุณเรื่องว่าปัญญาเราก็ไม่อย่างนี้มันก็เลยไม่มองเห็นความผิดความรู้สึกผิดในที่นั้นศรัทธาทีโมก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 สมาธิคือความตั้งใจมัน่นปัญญาความรอบรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดด้ียว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึงพรปราทท่านจัดทาทั้งห้าประการ น, นี้เป็นตอนๆเพื่อ เรามองดูปริยัติที่เราเรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับคณาจิจของเราเที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อั้มเราเป็นอย่างนั้นหรื อ, อยังวิริยะเรามีเพียนหรื อ, อยังที่เราเพียนอยู่นี่มันถูกหรือผิด อันนี้เราต้องเพียรนาให้ก็เพียรกันหมดทั้งนั้นเน่ยเต้ว่าเพียรที่ประกอบไปด้วยปรรยัญญามีหรือเปล่ามีอันนี้เป็นต้องสสติสติดีก็เหมือนกันแมวมก็มีสติเหมือนกันอืมเห็นหนูขึ้นมาสติมันก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องเลยมันสติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างอสติมัน สิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมีอยู่สัตสัติระชานมันก็มีอันตรธานมันก็มีปลาดมันก็มีนี่สมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมั่นอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีแมวมันก็มีมันมั่นที่จะจะคุบหนูกินนี่จะว่ายังไงความมุ่งมั่นของมันมี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 รู้แม่มันรู้จะตะคุบหนูกินดูอาการกิริยาหนูมันจะกระโดดขึ้นข้างบนลงขัางล่างมันจะไปตรงไหนอะไรน่มันมีสติควบคุมเท่านั้นแต่ว่ามันมีสติในทางที่จะตะคุบ ห, ห, หนูกินเป็นอาหารมีปัญญาเพื่อจะตะคุบหนูกินเป็นอาหาร ทำทั้งห้าประการนี้ทันยกว่ากำลังชิงทั้งห้าประการนี้มันเกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยสติส ม, มาธิปัญญานี้มันเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่า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 นี่คือผลอะไรเท่านั้นจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรจะควรทําอย่างไรนี่ผลไม้อันนี้เท่านั้นไม่ใช่ฉันยึดมัน่นไม่ใช่ฉันยึดมัน่นยึดไม่ให้มันมัน่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดมันไม่เป็นภพคือไม่มีตัณหาก็ไปป่าพล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 ีความเห็นถึงเป็นส ม, มาธิฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนล่ะเห็นมาเราดีก่บเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักมันมีปัญญาเห็นมาเราดีเสมอกับเพื่อนมักปฏิเสมอกันเท่านั้น เห็นว่าเราเลวกว่าเขาเนะ่ะแล้วก็ตกใจนะคิดอาภัพอาจนเท่านั้นมันด้วยอุปทานขันห้าทั้งนั้นน่มันพบชาติทั้งนั้นเนะน่ยนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างหนึ่งว่าเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจ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 ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะใกล้เคียงแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวนะอันนี้เป็นพยานของเราอยา่ึ่งไปมันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็จะเสริมจะเสริม้นไปเราเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่ก็นวัง ม, มันระวัง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 เป็นอยู่มันมีพบอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ท่านจงให้ตัดสินเราเองอย่าพึงไปตัดสินในคนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดต่างก็พูดให้ฟังเท่านั้นนี่มันเรื่องเรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่งงางนั้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า เช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาขึ้นมาแต่คนอื่นเนี่าท่านขโมยของผมผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกอไปตัดสินจะตัดสินว่า ย, ยัางไงก็ไปถามพระนั่นมาเป็นพยานในสงน่ผมเอากิงครับแต่ผมไม่ได้ขโมอยอย่างเรื่องที่มันเคยเป็นมานะ่น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 ทิ้ทั้งหลายแล้วนี้อะไรมันเป็นอภิ ช, ชามันไม่หมดวันนั้นอย่างองค์ขมวัตทีอะองค์ขมวันทีเคยถามผมหลวงพ่อพระอนาคามีเนะี่ยจินเป็นอภิษณหรือเปล่าเป็นบั่งอพระอนาคามีทำลากามได้แล้วทําไมไม่เป็นกินอภสษนท่านลนากามเนี่ยเดืออยู่ใช่ไหม อวิชชาโมหะเดืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ล่ะก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนบาทของเราเนหละบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาตขนาดกลางอย่างเล็กบาทขนาดเล็กอย่างใหญ่เอาอยู่ละ บาดขนาดเล็ดอย่างกลางบาดขนาดนาทเล็กอย่างเล็กมันจะเล็ดเท่าไรก็ช่างวันนี้ยังมีบาดนี่มันเป็นไซส์อย่างนั้นอย่างว่าโซดาสกีคาอนาคาร่ากิเดตได้แล้วนะแต่ว่ามันหมดแต่แค่ที่นั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นนลถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นพระอรหันนี่มันก็หมดเท่านั้นนี่ มันมองไม่เห็นอวิชชาเนี่ยมันมองไม่เห็นนี่อยู่นั่นนี่ยถ้าว่าคิดปานาคามีเรียกหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามีเนี่ยมันก็หมดนี่อันนี้มันยังเป็นอยู่เป็นอยู่มันจิตเป็นอภิสสารไหมก็เป็นมั้งแต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์จะให้เราตอบยังไงทันี้ว่าวันดังยเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิมันเป็นอย่างดังมันมีอยู่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันย่าไปประมาทเราระวังองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเขาเราให้ระวังให้ระวังนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอืมเนี่ยผมก็เคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดรองเยหลายอย่างเหมือนกันแต่แล้วมันไม่ถูกทางเท่านี้นคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึง่ง ทิศ ท, ทีความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดไี่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนี่ผมเคยพูดนี่ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นวงตาหอบผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของยายของโยมแ ม, ม่ในไตรจีวรก็ห อ, อบเข้ามาในวัดเลย ยังไม่ไปกราบพระในยพวางตรจีวรก็เดินจิ๋ผมเลย <c oughs> เดินอยู่หน้าสะลานเนี่ยเดินกลับไปกลับมาเดินเอายังเท้าจริ้งเอาจังเอไ อ, อคนนี่มันก็ยังมีนะนี่คือศรัทธาขี่โมกเขาคิดว่าจะเอามาให้มันณะวันไม่ตกนะจะเอาห้สําเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะแล้วก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นนะเดินเอาจริ้งไปต่างมอญใครได้เอาจริงงงรจจร้ ง, เ อ, งเอาจังทั้งนั้น น่ามองเห็นโอ้โหมนันดเอ้ยมันคิดว่าจะไงง่ายอะไรอย่างนั้นเนี่ยวพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้นะนมันไม่ได้ปวดหรือบวดก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอมอใจมันดูอะไรพุบชงออกเลยมันดูอะไรมาพุ๊บชงออกเลยมันดูอะไรพุบชงออกเลยอย่างนั้น ตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญาเนี่มันปรุงแต่งก็แยกขยายร้าอย่างได้ประการหลายสิง่งหลายอย่างขิ่นเล็กชิ่นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็ตัวสังขารจิตสังขานี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็มันปัญญาดีๆนะเนี่ยแต่ว่าเมื่อถึงค่าวมันแล้วนะ่ะหาความจริงไม่มีอะไรอย่างนี้ ไม่มีอะไร เ, เมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจมันทุกเกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรนั่นมันจะมีปัญญาอะไรมนะัมันตัวสังขารทางนั้นเนี่ยอย่างนั้นตีงคะจะดีกว่าอืพระจะดีกว่าที่เคยผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นให้แอบก็ไปหาพระพุทธเจ้าใกล้ๆพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเน่ะยังอยู่ทุกวันนี่ยแอบก็ไปหาท่านเถอะ อะไรเนี่ยคืออนิจังอ่ะแอบก็ไปหาท่านที่ไปกราบกันดีอืม อ, อืมอณิจังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นนี่ะหยุดได้ตรงนั้นเลยก่อนถ้ามันมอกโอ้ฉันเป็นโซดาฟันเนี่ยไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่โซดาเนี่ยก็ไปกราบท่านเลยจะเห็นว่าท่านจะบอกว่ามันไม่แน่อืมเป็นอนาคามีถัดไปกราบท่านแต่มันไม่แน่ ท่านจะบอกโยคำเดียวว่ามันไม่แน่อืไปถึงพระอาหารหันต์ไปตามท่านท่านไปยิ่งเอาใหญ่นี่ไม่แน่เราจะได้ฟังธรรมของพระมันงอืออือคือไม่แน่แต่ก็ไม่ยึดนั่นเองนะมันไม่แน่อะไรเป็นอะไรแต่เรไม่ยึดอย่าไปยึดงูงูปลาปาไปอือยึดแต่ไม่วางจับไม่วางอืพระองค์ท่านยึดมาดูแล้วท่านวาง ยึดมารูเป็นสมมติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วีมดมันเป็นใจใจใจอย่างนั้นอะไรก็ไม่รับ้วยก็ไม่รับเลยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกต้องมีสมมติต้องมีบัญญัติต้องมีสมมติต้องมีวีมดอะไรก็เฉยไม่รู้เรื่องก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วเน่ย น, น้ำบาบาลเหมือนกันอืม มันรับอยู่ข้างในก็ไม่รู้จักอย่างท่านอาจารย์อาจารย์เลี่ยมที่มาจากภาคกลางครับผมนะอายุพรรษาท่านแก่ก็บผมพรรษาหนึ่งแหมเราก็มันกิเยดหลายอย่างว่าพูดอะไรทําอะไรก็ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรมันแ ย, ยบกายยกตัวอย่างเช่นไปบินทบาต ให้เราก็มีพรรษาน้อยท่านก็มีภัษามากเดินไปออกหน้าไปท่านสังรวมดีหรือเกินทางมันแวะไปไหนก็ไม่รู้เรื่องอบางทีเข้าข้อโคเขาเราบอกใช่ใช่ใช่ใชขวาขวาใช่บางทีบอกทั้ง้า่โพไปทั้งขวาหน่ นั่นสั้งรวมเนะ่ยไม่ต้องระวังก็เป็นได้เหมือนกันในแบบทั้งรวมบางทีเข้าป่าเข้าลกเขาไปในสวนเข้าไปที่ไหนก็ไปฮะที่เราไม่เคยไปเนะ่ะแล้วไม่สังเกตเหตุการณ์นลยเนะี่ยเราก็บอกเธอใช่บางที่ไปทั้งไปทางขวเลยใช่ใช่ไปตามทางนั้นไม่รู้ว่าเป็นไงก็มาคิดดูแล้วโอ้ีนเราก็สั่นอาจารย์เรียดใครน้อมีปัญญาหรือใครไม่มีเนาอ หรือจะปล่อยท่นไปอย่างนั้นเนือ้อนี่อันนี้ก็แบบหนึ่งอีกนั่นเรียกว่าพระสังรวมไม่ต้องระวังไปท่าเดียวไม่ต้องระวังอันนี้มันก็แปลกนะอื่ <c oughs> สุปการได้อย่างที่เคยเห็นมานี่ก็พูดถึงปฏิปทาเท่าที่เคยได้พบกันมาสหาหธรรมิก ไม่เห็นมีอะไรกันอยู่ไปตั้งพันสาสองพันษาก็ va, ไม่มีแสดงความรักไม่มีแสดงความเกลียดอยู่ไปเรื่อยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะนี่นะอยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่แสดงถึงความรักไม่แสดงถึงความเกลียดอยู่ไปเรื่อยตั้งสองปีสามปีก็อยู่กันไปได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันอ ย, อย่างนี้ก็มี หลายอย่างไอเรื่องใจดีของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคหนึ่งนั่นแหละไปพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่ ง, นงน ค, ค, ค น, ค น, น, ง ค, นคนหนึ่งที่มันชอบใจดีเราก็มีที่ไม่ชอบใจดีใจเราของของเราก็มีไอจริงที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นมันไม่แปลกอะไรกับคนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ะ ไอ้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนัง่นอารมณ์นั่นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นศักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองเราว่าเราดีว่าเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกอันนี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าเองขึ้นเองพูด ข, ขึ้นมาอย่างงั้นทำนี่มันจริงเป็นเครื่องปีจันปีใจเลยยากเลือกขนท่านผมยังบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะเรื่องในสกลนรกนี่ทั้งหมดมันมารวมเปียธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังออนิจจังลองดูติใครจะนักเป็นปฏิบัติผมคนมาตลอดกะยี่สิบสี่สิบพรรษาผมเห็นเท่านั้นแลีวก็อดทนอันหนึ่งเรียกเขาใกล้ธรรมะเขาตันอนิจจัง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 อาการเราปฏิบัติมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนผมเคยพูดว่ารีบเดินไปเรียกก็รีบกลับมาเรียกก็รีบหยุดอยู่มีเรื่องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อย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 ไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดไม่มีไม่มีหยุดก็ไม่มีเดินก็มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้ออกไปพีนาไว้ <c oughs> <c oughs> ให้มันชัดในจิตของเจ้าของตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงจริงมันจะไม่มีอะไรจริงจริง โดยมากคนมันเชื่อสังขารความปรุงแต่งปีนี้ในพรรษาก็เลยไม่ไปเยี่ยมพระใหม่ก็เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยู่ตรงนั้นพอดีปีนี้ก็มันจะออกพรรษาแล้วนี่ก็่สบาย ยิ่งยิ่งใครยังชั่วมาสองสามวันมันแต่ฉันจังหันสองสามวันมนันมีกาลังพูดเล็ ก, กน้อยอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่านี่มันก็เป็นกบพูดที่มีปัญญามีความฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั่นมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะรู้สภาพต้นไม้ก็ได้ ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบแอบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อหนีไปโน่นทำไมมันเป็นยังไงใครไปบอกมันี่นี่คือธรรมชาติ ทั้รรมชาติเนี่ยมันมีทางดีทางชั่วทางผิดทางถูกนะบางทีโอนไปในทางถูกก็ได้โอนไปในทางผิดก็ได้อันนี้มันยังอยูย่เปล่าหนึงแต่ว่ามีความมันมีความรู้สึกต้นไม้ธรรมดาหรอถ้าปลูกติดๆกันเนี่ยตัวหนึ่งมันโตต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นหนึ่งมันโตที่หลังอ่ะชอบอยแยบแฝงไปข้างนอกโอนลงไปทําไมมันเป็นอย่างไง ใครไปบอกมันไม่ใครไปแต่งมันไม่นั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างตันหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตันหามันจะพิาจารณาตันหามันจะขย่าตันหาคือความอยากนั่นให้หมดให้เบาให้ บ, า, หบางไปเองมัน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 ชั้นชาติแต่ยานของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทาให้ออกวิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราคนเหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาในพมรมจจ์ประพฤติปรมจรันร์นี้เพื่อหวังหวังมันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์ คนย่า ม, มันก็ไปจะเห็นไหมสิ่ง ท, ที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยา่าเข้าไปใกล้มันสิก็รู้มันเป็นธรรมะดีนะอมย่าไปรักมันหรือใจไปเปบียดมันหรือว่ามันไม่แน่ของนั้นแล้วก็แอบเของหาพระมันก็หมดอย่าลืมอันนี้อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้นะ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 บวชไดบวชอยู่วัดบ้า น, านธรรมดาอยู่วัดบ้า น, านจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะสุดไม่มีใครจะมาเทศเอาที่วัดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครนะอ่ะศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาดูเดินไปดูหาดูไปรหูมีก็ฟังไปอืม ตามีก็ดูไปทั้งหูอะไรยินกว่าว่ะเออมันไม่แน่ทั้งตาเห็นมันนี่ก็ไม่แน่เจมูกระไกลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ดินมันได้รถมานี่กะเดียว่ามันมันไม่แน่พ่อแม่บทของมันก็คืออดทนกว่าขันตีกว่มอดทนทนมันไปเฮะอย่างเนี้ย แต่อย่าไปทิ้งพระนะที่ได้ว่ามันไม่แน่นะ่ยอย่าไปทิ้งมัน mm hmm. เดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเขาทำสถาปนิกเขาทําอย่างดีบางแห่งมันเล่าเลยนีม่มีเพื่อนทำเม่อันนี้มันน่าเสียดายนะมันเล่าหมดนะผมเคยพูดมาอย่าท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่มีสินะ ยังงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมะจริงสิยังเงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีติมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางลอยไปอย่างนี้นะทั้งทางตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายอยู่ที่มันเล่าอย่างนั้นนะอ่าอ่ก็ยังปักใจขึ้นมาพูดให้มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนได้เลี๋ยตัวด้วย <c oughs> บางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังปักปกับไปหาธรรมะ ยังงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ออืพูดยังแรงกวไปเพื่อนได้ยินบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนั่นก็ได้ยินของเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์ครับมันเป็นประโยชน์นี่ก็มีประโยชน์หลายหลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ออืถ้ามีเพื่อนหมือลวงพ่อโยงคนนั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างงั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่อย่างงั้นอย่างนั้น อย่างนี้เป็นต้นโหยมันสั่นขึ้นนะนี่นะเออได้ยินเขาว่ามันสั่นขึ้นอนะนี่นี่นี่คืออารมณ์คืออารมณ์ก็ต้องรู้วมันทุกขกับเบียดนิ้วอะอารมณ์อะอารมณ์แล้วยมันรู้เมื่อไหร่บางทีก็มันตั้งใจขึ้นเนี่เหี้มโหดกันมาในกิตของเราบางทีระ ไ, ไปสืบสวนเรื่องนั่นจริงๆเปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วเนี่ย มันได้ไม่แน่ไปอีกแล้วอย่างนี้เราจะเราจะเชื่ออะไรมันทำไมเร้จะเชื่อคนอื่นทำไมมากมายแล้วก็รู้แล้วก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนดอกเขียนดอกเขียนดอกเท่านั้นจนมันหมดไม่ได้คำพูดพี่ปราศจากอนิจจัง คำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราดนี่จําไว้คำพูดอัะไรปราดซะจากอนิจจังคํานั้นไม่ใช่คําพูดของนักปราดตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราดเหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติ ถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบอัตภปประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจมันเหตุจะเศร้าใจก็เดียวอันนี้มันไม่แน่ทางให้มันแรงๆเข้าไปเถะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากอืมเอาอันเดียวเถอยจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะจุดตายเลยนะนี่นี่คือจุดตาย อย่าไปทิ้งเลยนักปฏิบัติจะไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้หวังว่ามีทุกหวังว่าผิดเป็นประมาณเนี่ยอืถ้าเอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเจ้าของน่ะเชื่อแน่ว่ามันผิดแล้วมันก็จะถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะดักนี่มันดีมากนี่ไอไอความไอความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นวันนี้มันก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมันมาก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 ทำไมมันถึงใครเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชาจะมาเป็นวิชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละวิชามันจะมีขึ้นมามันก็ต้องคลอดออกจากอวิชชาตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากวิอวิชชาจะเป็นตัววิชามาขึ้นมาตัวรู้นี่มันจะคลอดออกจากตัวไม่รู้ ตัวสะอาดนี่มันจะพลอดออกจากความสกปรปกเนี่ยมันเป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอ น, นิจจังคือพระนี่พี่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรา n i พ v a n แล้วนั่นอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนรึกเข้าไปเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ เหมือนกันก็ว่าพิกคุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันกย่อยกว่าเอามาใช่เหมือนกันแต่ว่าใช่มากก็ผิดนะมันขอสเสื่อยถ้าเราพูไดไปซึ่งดีกว่านั้นอีกพิกขุแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารมันซึ่งไหมล่ะเออนี่มันไม่ไปในรูปนั่นใช่ไว่า นี่มันความเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นมันซึ่งกกันอย่างนั้ น, นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดความรู้สึกในกจิตของพระอริญะบุคคลแบบจะพูดอะไรก็ไม่พูดจะทําอะไรก็ไม่ทํา จะคิดอะไรก็ามาคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนในผู้อื่นนี่สำหรับฆ่าตัวอิจฉาพยาบาทเนี่ยนี่ถ้ามันคิดมันก็รู้เรื่องว่าอา น, นิจจังเข้าเต็มตัวมันเลยมันถอนตัวมันนี่ออกมาได้อันนี้เราให้มันอิ่มอยู่เวยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไรเน่าก็อยู่ใกล้ธรรมะเหมือนนั้น ถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอ น, นิจจ์ของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตาไพรเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นได้เราจะพ้นความทุกข์ในวันตาสงสารมิวันใดกววันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระจะไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทําอยู่นี <c> ่ <oughs>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 <c oughs> นี่ก็เรียกว่าผ <c oughs> ู้ที่เราเข้าถึงพระในไหว้พระยุทุกเวลา <c oughs> ตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุโทโธปกาาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้ <c oughs> มันจะเหมือนกันกับแปลว่าพิกพิคคุแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้น ถ้าหากแปลว่าอย่างดีที่สุดสุ ข, ขุมเนี่ยพิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้มือมันกันมันที่แบบว่าเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นมันก็จะเทียบได้ว่าพิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลา เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลวมกลิ่นดิ้นดิมรสอยู่มันจะเทียบกับทรัพท์ที่ว่าพิกขุผู้เห็นไฟในสงสารมันซึ่งกันอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็มันตัดได้หลายสิ่งหลายอย่างถ้ามันเห็นธรรมะอันนี้นล่มันจะมีความรู้มันจะมีปัญญาต่อไปด้วย <c oughs> อันนี้เรียกว่าปฏิปทา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 ไปมองดูคนอื่นว่าไอ้คนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอยู่อย่างนั้นไม่เห็นมันได้อะไรมากไหม น, นี่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะข้อนี้เราจะเป็นพระขึ้นเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเหตุผลที่ว่าผมดิห่างไกลจากลูกศิษย์วันนี้ปีนี้พรรษานี้ทางพระเก่าพระใหม่พระนวะอกะอ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 ถ้าใครไม่ถ้าใครไปฝ่าฝืนข้อกติกาอยู่นั่นมันก็ไม่ใช่พระนะไม่ใช่คนตั้งใจมาปฏิบัติแนละ้วมันจะเห็นอะไรถึงแม่จะนอนอยู่กับผมทุกคืนทุกวันมันก็ไม่เห็นผมหรอกจะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นว่าพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ปฏิบัติเท่านี้แหละไม่มีอะไรออืมอืมม ท่นั้นการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าก็ให้ทําตามพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยสาคัญได้มันเกิดความรู้สึกหลายอย่างนะปฏิบัติเนี่ยบางทีมันคิดต่ําไปจนถึงที่สุดมันเน่ยบางทีมันสูงไปจนถึงที่สุดมันอ่ะมันที่จะวางที่มันพอดีพอดีเป็นสมาปารติปทานี่มันได้ยากเหลือเกินอืมมันแรงมันพูดมันแรง ขึ้นมันก็ขึ้นสูงตกมันก็เจ็บรงมันก็รงทางร่างขึ้นมันก็ขึ้นยาืมันเป็นของน้ำบางฉะนั้นการรู้ธรรมะการเห็นธรรมะมันอยู่ที่ปฏิบัติ <c oughs> ขอเรามีศรัทธาเถอะที่จะบวชกมาใหม่มาเก่าอะไระในพรรษาเนี่ยเราต้องทำจิตของเราให้มันดีเคนในวัดทั้งวัดน่ ทำใจให้รู้สม่ำเสมอแล้วทุกคนเราจะไม่ต้องไปให้โทษใครไม่ต้องไปให้คุนใครไม่ต้องไปนั่นเกลียดใครไม่ต้องไปรักใครถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้นแต่มันมีอยู่ที่ใจมันยังดูถนัดทรงนั้นยังดูไปถนัดถ้าอะไรมันมีอยู่ในนี้ก็เรียกว่านั่นแหละเราจะไปผเลเราตัดไม่ได้เราตัดไม่ได้เอาอันนั้นมาพูดมันก็เป็นนักเรียนโตกันหมดทั้งนั้นเนี่ยอือาศัยที่พอมันตัดไม่ได้ต้องพยายามเนี่ย ตัดไม่ได้ก็ต้องโูดมันพี่โคดกิดเลสไม่ได้ยินเนี่ยโดกิด เ, เกลสเล่าออกิเลสเนี่ย น, นะไม่ให้ตัดอะไรโคดมันดอกใช่มันเหนียวแน่นนีน่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่ ใ, ใช่ว่ามันของเลยตามป่าถนาตามใจของเราทำ ม, มากิจแต่มันเป็นอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งยังงั้นคนจะทําผิดเด็กนี่ะต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลัง มิฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ท่านจ้ำกับไปอยู่เรื่อยๆนะแต่เราก็ไม่อยากจะดูเรบไปดูพระไกรตีดกที่มันไม่เที่ยงที่มันมีอยู่นี่ไอ้ก้อจริงๆสั้นๆของกว้างถูกๆนี่ไม่ค่อยพิจารณากัน เห็นไปอย่างอื่นไปใช่ไมอย่าเป็นดีติดดีมีดีอย่าไปติดดีมันมีไรอย่าไปติดไ้มันมีของอยู่ในโลกอันนี้เราจะหนีไปจากโลกอันนี้ให้มันสิ้นเสียงทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าดันต้องให้วางให้ละ ก็เพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นหรอกอฉะนั้นท่านจงอย่าทำไปตามทิศถิมานะของเราซูขุมขยังไงปฏิบัติปีเนี่ยมีผลดีไหมพอสมควรมนะันเป็นยังไง ขขเราพอจะรู้จักความสงบแล้ว น, นะครับ อ, <S <S อย่าไปเชื่อความคิดด้วยนะอย่าไปเชื่อใจแล้เนะ่ะอย่าไปเชื่อความคิดเ้วเนะ่ะ่าไปเชื่อใจแล้เนะ่ะหลักนี้เป็นหลักให้เราเสียเป็นหลักที่สำคัญอ่าท่องให้รู้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 ให้ดูจักผิดรูด้จักถูกกันเน่ยกลับมาให้มันได้ของเราอย่าอืมอ ย, อย่าไปเพอ้อฝันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอันนี้ให้ดูจิตของเจ้าของนะ่ะอย่าให้มันเพลินดีอย่าให้มันมากออให้เทศในจิตเจ้าของนะ่ะในใจของเจ้าของนะั่นเพื่อสําระอาสวะในจิตของเจ้าของให้มันมาก พระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านกัดทรู้ท่านสร้างประโยชน์ตนของท่านแล้วท่านจึงมองหาประโยชน์คนอื่นทําตนดีแล้วจึงทําคนอื่นให้ดีได้สร้างประโยชน์ตนแล้วจึงสร้างประโยชน์คนอื่นให้นะวังอืเช่นผมอยู่ในวัดนี้ เพิ่งบวชเข้ามามันจะเป็นอุปนิสัยอย่างไรก็ไม่รู้มันนี่ไม้ทั้งหลายเหล่านี้ผมหาวัาน น, น, นี้เสาอะไรนี่บวชเขามาพันษาสองพันษานี่เขาจะให้ผมสร้างศาลา น, นี่ผมจึงไปขออนุญาตไม้ทั้งหลายนี่มาไปกับคิดไปด้วยมากับคิด ให้เขาบรรทุกไปลากไม้ดีมาในวัดกลางคืนมานอนพิจารณาไปเพียงเนาเอเราจะสร้างสลาใหญ่เนี่ยสร้างวัดนี่มันก็นเป็นเปรตอยู่นี่ท่้ น, นั้นแล้วใครไปบอกมันก็นไม่รู้เปรตจะเป็ น, ปนยังไงไม่รู้จัก<ม>บางทีอาจจะสายเกินไปด้วยบางทีอาจจะเข้าไปลึกกว่านี้อีก อาจจะไม่ได้ทำแล้วคิดอยู่คนเดียวตอนเช้ามากั่ลายโยมเลยโยมไปเที่ยวซะหน่อยก่อนนะเก็บเสานี่ไว้าทำอะไรไว่าเหรอไปเที่ยวอะไรจะกลับเรอไม่รู้คงกไดไมไปไม่รู้ว่าอะไรมันบังเอิญจะให้ทำอย่างนั้นนี่ ถ้าว่าผมทําอยู่เนี่ยสมัยก่อนนะบุญญาปรมีมันก็ น, น้อยอาจจะสร้างในอะไรอย่างนี้ครับไม่สร้างทีนี้นไม่ได้อบางทีอาจจะผมอยู่ติดใ น, ในที่คุมขังอยู่นี่ก็ได้ครับไม่ต้องในปฏิบัติธรรมะเสียหายนี่บัดนี้ผมยังรอดมาบุญวิทมาเอาตัวรอดมาเลยมาปฏิบัติ หยิบเอชีวิตเนี่ยเกิดมากนี่ไปปฏิบัติหลายสิบปีออกไปบัดนี้เึงเลยมาวนกลับมาตรงนี้ผมก็นึกว่ามันพอสมควรอายุมันหกสิบกว่าแล้วเนี่วยผมนึกว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วกลับมาทำอยู่นี่ครับมาอยู่นี่ อ, อ, อันนี้ก็คือเรื่องมันเป็นไปเองของมัน เรื่องมันเป็นไปเองของมันไม่ต้องคิดอะไรมันว่ามันเป็นไปดูความเป็นไปของมันเราทำใจให้เราให้มันตรงนั้นก็พอมันพอที่จะช่วยก็ช่วยมันไปพอที่อะไรก็ทำทำมันไปบางคนกะเห็นมาผมเนี่ยมันมากมากระเวียนมาแลาวใช่ที่แรกนำพระภิกษุออกอยู่ป่าครับไป เห็นว่าอยู่บ้านมันวุ่นวายออกไปก็ไปสึกกันอยู่ป่า น, นั่นแหละ <c oughs> ไม่เห็นมันจะสงบอะไรมากมายมันก็สึกกันอยู่ป่า น, นั่นเนี่ยวุ่นวายอยู่ป่า น, นั่นแยะไปผมก็ดูอยู่เนีนเเ่ที่นี่จะกลับเข้ามาดูสกที่มันวุ่นวายจะเป็นยังงในบ้านตกลงกับคนอยู่ในบ้านมันก็สึกหมดศรัทธา คนอยู่ในป่ามันก็สึกไปเหมือนกันไม่มีใครเบนาเรืซึ่งอะไรมันมากมายก็เห็นว่าความสงบนั้นมันอยู่ที่จิตของเราชำระมันซะสัมมาธิฏฐิมีความเหียรชอบตั้งขึ้นในใจของเราไม่อยู่ที่ไหนแต่นั้นจนี้จริงตัดสินใจวันเขาพรรษาก็ถึงเข้ามาในนี้แต่ก็ยังดีลูกศิษย์ตุหาใครมีปัญญาจะมีกาลังมากในเวลานั้น มันปวดที่สะพอปวดกบมาก็ฉันยาปวดหายตงไปมันก็หายเท่านั้นนียสมมุติวัดนี้มันปวดที่สะไม่ต้องฉันยาปวดหายให้มันอดทนเนียมันหายมันเองนะให้มันแก้มันเองนะใครมีความขัดข้องอะไรเพิงแก้เลยตนเองเห็นมันมีปัญญาเราจะมีกำลังต่อไปดี มีอะไรขัดข้องไหมนะฝ้ะใหม่นี้ไหมมีอะไรไห ม, อ, มอะไรตั้งใจให้ทำเป็นอะไรอยู่มันก็นยังไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูพุธะเป็นผู้มีปัญญาหลายท่านของพญามันเทาให้มันพ้นจากทุกข์ คือหลับซึ่งความเกิดทางภายในและภายนอกแต่มันไหนไม่เป็นอะไรมันจะเกิดเป็นโน้นดับมันมันจะเกิดเป็นนี่หลับมันมันจะอะไรใหญ่มันเกิดมันหมดอะไรทุกอย่างอะไรแต่ว่ามันประโยคสั้นมันไมนจบนะที่เราทำมันมันหมดเนี่ยอืมเมื่อเราไปทําำเราจะไปขึงขยายมันออกกันนึกว่ามันจะหมดเลยอะ อยู่ให้มันสบายได้สิ่งที่ได้สิ่งที่มันเอมันจะถูกต้องก็สบายไม่ถูกต้องเราก็ให้มันสบายคือความเห็นนี่มันสบายให้มันหมดเรื่องละทิปฏิบัติอย่างโ น, น้นปฏิบัติอย่างนี้ทําที่โน้นที่นี่ดีแลอย่าไปมุ่งมันเลยไม่มีอย่างนั้นหรอกที่มันดีคือที่เราคิดถูกทําถูกความเห็นชอบนี่แหละ ถ้าเราไม่มีความเห็นชอบเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไปถูกหรอกอไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันไหนอยู่ในป่าในนกอยู่ในอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็ช่างมันเถอะมันไม่สบายมันไม่สงบหรอกถ้าเราเห็นไม่ชอบถ้าเราเห็นชอบแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็สงบลดลงการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าการยืนหรือการเดินหรือการนั่งพระพุทธอง์ไม่ได้กาหนดหรอกกาหนดที่ว่าความเห็นชอบ เมื่อมันชอบอที่การเดินมันก็จบเี่การเดินชอบที่การนั่งก็จบที่การนั่งเมื่อมันเห็นชอบที่การนอนมันก็จบที่การนอนพิธีญาบททั้งสีนี่ให้นำวังนั่นเลยมั น, น, น, นจะไปคิดอะไรมันมากมายโลยโลกใครไขเก็บเราก็อย่าไปคิดอะไรมันมากบางทีมันจะโลกกำเริบขึ้นก็ได้มันเป็นเหตุกำเริบขึ้น ยาิดไว่กอดอย่้คอะไรมันมากมียาพอสันก็ันเหมือนไปอะไรไปคิดอะไรมันมากแะไมันมุดวไอ้มันเป็นปัญหาขึ้นคุณอยาจะเรียนถามก็ใจบาันตอนนี้ท่านลวงมากเคยเคยเยเรื่องอาการของจิต กีเลศมันอบกมไหมที่ท่นนทานผูรู้ดูอยู่ผมเองอยากจะขอประทานอกานแห่จนหลวพออธิบายให้ชัดเอไย่างน้นออาการของจิตเหรอที่กีเลศอบรมเออท่านผู้รู้ดูอาการของจิตที่กีเลศอบรมใช่หมาวาว่าอาจิตมันเคยจิอย่างนั้นจรงนะพ่อนหลวงพ่ใช่ก็มันแผลบถลายไปอยู่เช่นว่า พูดง่ายๆอย่างอย่างภาษาดิบุตรกิเที่อบรมสมัยก่อนนั้นท่านเป็นลิงท่านเคยเป็นลิงมาภาษาดิบุตรเมื่อทําความเพียรเนี่ยท่านก็นสําเร็จเป็นพระอหรห <c oughs> ันต์แต่ว่าลักษณะกิเลสที่มันอบรมนั้นยังมีอยู่ในใจของท่านอย่างท่านเป็นลิงบันทีบ่บางทีท่านเอเห็นห้วย เห็นต้นไม้อะไรต่างๆท่านจะข้ามบาพี่ก็นึกขึ้นใหญ่กระโดดข้ามไปเหมือนดิงเนี่ยนี่คือที่มันอบรมไว้อยู่ในนั้นมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่จริงแล้วมันโดดไปเฉยๆทาอาการอากับเหมือนดิงมันนึกสนุกขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนั้นน่นเกว่าแต่จิตจริงๆของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอาการของจิตของท่านเพราะความชํานาญความเคย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 แต่ว่าความคันองทางจิตของเก่าน่ะกรรมเกา่านเอมันอยากจะวิ่งไปมันอยากจะโดดอะไรเหมือนลิงมันจกเป็นขึ้นเป็นบาดเจ้าแต่ว่าการเป็นนั่นนะ่ะไม่มีอะไรออันนั้นเป็นอาการของจิตที่ที่เดี๋ยวทางไรอบรมไว้ชํานานี่ยแต่ก่อนไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่เห็นผิดอะไรต่างๆไม่เป็นอะไรตรงนั้นอันนั้นแต่ว่าอากับกิริยาอันนั้นที่เดี๋ยวจอบรมไวนาน แต่มันเป็นแต่จิตใจเอกเจตนาก็ไม่เป็นไปตามนั้นตามความจริงอันนี้ท่านเรียว่าวาดสนะนิสัยมันฝึกมันได้ละมันได้วาดสนานั่นแหละมันละได้แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสาวกทั้งหลายมันละไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของจิตที่เล่น ที่เคยเป็นสัตว์มาที่เคยเป็นสุนัขมาที่เคยเป็นอะไรมามันยังแสดงเป็นบางครั้งอยู่อันนี้บอกว่าศาสนาที่อบรมมันยังละไม่ได้ไแต่มันเป็นภัยอะไรคือมันยังมีอะไรอยู่ตรงนั้นอะ่ะอมันชํานาญมันเคยมันคล่องมาเป็นนิสัย อ, อันนั้นยังมีอยู่แต่ท่านแต่ท่านมีความสิ้นภายในเป็นอย่าง แต่แต่แต่ความความรู้สึกภายในของท่านเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่เป็นอีกอย่างหนึ่งคย่างไม่ไม่ไม่เป็นไปตามการกระทําอย่างนั้นมันเป็นสองชั้นเมื่อใครค่ายอีกอย่างแล้วก็พูดกับเด็กอย่างนี้เราจะพูดกับเด็กเนี่ยเราเราเป็นผู้ใหญ่แเราจะพูดกับเด็กเราก็พูดแบบหนึ่ง <c oughs> ถ้าพูดกับผู้ใหญ่เราก็พูดแบบหนึ่งคือเรารู้เรื่องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อย่างนี้อันนี้เปรียบเป็นอย่างนั้นอ <c oughs> ืพูดอย่างใจอย่าง พูดง่ายซะพูดอย่างใจอย่างออืแล้วไม่มีอันจะเป็นกิเลสหรือข้อใหม่ไม่เป็นกิเลสเป็นบาปหรือข้อใหม่อันนั่นเทว่าอากับจิตญาของจิตที่ทุกข์ิเลสทำใน้อโกระานานอันนั่นเป็นอาการของจิตไม่มีเจตนาจํานงมั่นหมายว่าให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไร ความรักความชังของคน<ช>นี่ก็เป็นอาการที่เฉยอบรมได้ใช่เป็นเป็นแต่ว่าอาการของความรักความชังก็เป็นกิเลสลงมันมีอุปทานหรือเปล่านะถ้าไม่มีอุปทานนั่นล่ะเป็นอากัรปีรยาเฉยเฉยขึ้นเคยอบรมไว้อบรมไว้เท่านั้นน่ะมีถ้ามีอุปทานเนี่ยไม่ใช่ความหมายมัน่นมีภพมีชาติต่อไปอีก อาการนั้นไม่มีอุปทานอะไรแต่ว่ามันเป็นอย่างอุปทานไม่มีมันเป็นอาการของกิริยาของจิตม <ding> ันาาเป็นของกิตที่อบรมไว้ก า, าปรปฏิบัติของเราก็ตัดตัวอุปทานก่อนใช่ที่เหลือก็เป็นอาการโดยปกติเป็นอากา ร, โ, รโดยปกติให้มันปะกะติแล้วก็รู้จักเรามีอุปทานหรือเปล่าแล้วก็รู้จักของเราให้รู้จักตัวอุปทานถ้ามีอุปทานเล้วมันเป็น รสชาดแน่นอนวางมันได้งั้นที่สำคัญ ท, ที่สุดคือเราไม่ต้องบังคับมันมันอยากจะไหวตัวก็ไหวนี้แต่เราไม่ทําตามใจเราต้องรู้เรารู้เท่าทันมันใจเรารู้เท่าทันมันอืการปฏิบัติถึงที่สุดแล้วมันจะไหวตัวไหมครับหรือมันจะไหวอยู่อย่างนี้แต่เราก็รู้เท่าทันมันไม่ไ ม, ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ใช่มันก็ได้ไม่ใช่มันก็ได้แต่มันไม่ไหวใช่โดยทาอยู่ถูกต้องไม่มีไม่มีอะไรครับไปขั้วบนในตรงนั้นอย่างเดียวอาการของความรักทําไมเราเคยรักคนมันเป็นยังไงอาการมันนะ่ะนี่เร็ก้อรู้จักแห ล, ละที่นี่อาการของความรักมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักแต่ไม่มีอุปทานนี่เขาใจอย่าง ง, ง่ายง่าย รักอยู่แต่ว่าอาการคของความรักมันเป็นอย่างนี้ท่าไม่มีอุปทานเป็นอาการที่ติตอบรมมาที่เราเคยมาแล้วเรา ล, ามาละมันแด้คือว่าเสียงมันไพเราะไอ้ที่เรียกว่ามันมันไพเราะมันไม่หายของมันหรอกแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันไพเราะอืแต่ไพเราะนั่นรู้ขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีอุปท า, านทานีน่อาการไพเราะเรารู้จักเพราะเราเคยเพราะมันเคยอบรมเรามาแล้วนานนี่อืม ไอ้ความรักความโกรธความเบียดนี่ย<ม>อะไรที่ความรักเกิดขึ้นมาอุปทานเนื้อเปล่าอความเกจ็บเกิดขึ้นอุปทานเนื้อเปล่าเราก็พูดขึ้นเล ย, เลย<ม>อันนี้เราจะรู้จักตัดสินเอาเองของเราเนาะดูแล้วก็รู้จักมันเกิดขึ้นมาพกวกเรารู้รู้จักเลยมไม่มีอะไรแค<ม>่เราอยู่ไปไม่มีอะไรไม่ต้องค้นมันมไม่ต้องค้นไม่ต้องส้างมันอีก มีอารมณ์มากระทบวามพิจารณาต่อพิจารณามีก็พิจารณาไม่มีก็พิจารณาอยู่อยู่เฉยๆดูด้วยความรู้สึกมีอะไรเป็นเหตุพิจารณาก็พิจารณาใช่หมแต่เราเลิกคนทำดูไปอยู่ธรรมดาเรานั่นแหละพูดง่ายครๆนี่มันจะอยู่เหมือนธรรมดาอ่ะพอแต่เหตุเกิดขึ้นรู้จักถ้ามันรู้จักเหตุก็ตามมาถึงผล บางทีรู้ผลก่อนตามไปหาเหตุมันจะเข้ามาทางปลายก็ได้เข้ามาทางต้นก็นได้ ม, มาทางเหตุก่อนก็ ร, รู้จักอืมมาทางผลก่อนเราก็รู้จักแต่เราอยากเข้าใจว่าเราเป็นโน้นเป็นนี่นะ่ะอาการที่เข้าใจนั้นก็ไม่มีอุปทานสมาธิคือความตั้งใจมันมันก็มัน่นของมันอยู่มันเห็นชัด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 แต่อุปทานมั่นหมายเราจะเป็นพวกเป็นชาติดีชั่วนั่นเราไม่เอามันไม่มีแต่ว่าการกระทำความดีนั่นน่ะแต่ว่าเราทำอยู่แต่ว่าเรามายึดในความดีนั่นไม่ได้วาง ไ, ไม่ได้วางอะไรไม่ได้วางอะไรไม่ได้วางอะไรยังเอผมทำกับท่านนี่ก็พูไดไปดีทำไปดีดๆนะ่านถ้าคนเร า, าก็ต้องมีความหวังอะไร เ, เพื่อตอบแทนผมไม่ได้วาง่ ทำดีๆไปพูดดีๆไปไม่ไม่ไม่มีอะไรหวังจะตอบแทนถ้ามีว่าอะไรตอบแทนเป็นทุกข์เป็นอุปทานให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปมันสังเกตง่ายๆแล้วอันเนี้มันมันเขาก็อยู่กับเราเรื่องของเรามันความจริงมันตัดสินง่ายกว่าเรื่องคนอื่นเข้าใจไหมเรื่องคนอื่นที่อมอมการพูดมาพูดให้เราฟังอีนู่อีนี่มาให้เราฟังให้เราเชื่อไม่รู้จักก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าตัวเราเองนี่มันโอยมันง่ายที่สุดแหละมันเป็นยังไงไม่โกหกโหกเขาเดินโกหกจ า, กอจากอของมุนย์จารู้เรื่องพวกมันง่ายให้มันอยู่อย่างนั้นก็พอแหละพอไดห้หนทางเนี้ยให้ให้เราอยู่ไปโดยรักษณะแบบนั้นในอัปปนากาปสุตถ า, าทิวา้ดยชาสริยานิโยกหมายถึงเป็นผู้มีสิตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหครับ อันนั้นคือสูตรมันถ้ามีสูตรแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเหตุนี่อันนั้นคือพูดเหตุมันเมื่อมันส่งไปถึงผลแล้วมันก็ผลและเหตุมันเป็นคนในอย่างพรรยากาปฏิปทาคือข้อยเป็นอย่างิมีสีสังวรสังรวมมีรีหกคือจางโหติโมเดียนการใจมายินได้ในรายสิโลสไลย์อันนี้ไม่ต้องพูดมากเสียขนาดนั้นมันมีสติมันรู้จักอยู่แล้วมันสังรวมอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วเอาปัญ ก, กาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดอันนี้มันเป็นสูตรของมันเพือ่อใทั้งวันทั้งรวมตามไม่ได้ยินดียินร้ายท่ั้งหมดไม่ไลยินดียินร้ายแต่มันได้ยินอยู่รู้อยู่เต่ว่ามันไม่ยินดียินร้ายคือไม่มีอุ ป, ปาทานนั่นเองอการบริโภคอาหารเจบพอควรไม่มากไม่น้อยอันนี้มันก็ยิ่งยิ่งของมันเนี่ย มันรูจากประมาณกายประมาณท้องของมันอืมชาทยายเริโยกอก็เมเพียรอย่างนี้ความเพียรนั่นมันสม่ำเสมอมันสม่ำเสมอขมันยงไลืมตาขึ้นนะลืมตาขึ้นรูดตัวมันมีความเพียรอยู่อย่างนั้นในความเพียรไม่ใ่ไปเดินเดินเพียรไม่ใไปนอนเพียรไม่ใ่ไปนั่งรูเพียรรู้เพียรรู้เพียรมันรู้เพียรอืม อย่างเงินเดินก็ไม่ว่านั่งก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่ามันรู้เพียนเป็นความเพียนทางจิตถ้าจิตมันตื่นอยู่มันรู้อยู่มันก็รู้สึกอยั้งนั้นนะแ่ว่าเราไม่หลงนะไม่หลงเรารู้ว่าสัญญาเรามันไม่เที่ยงมันจะหยิบเรียกคนนั้นทำคนนี้เรียกคนนี้ไปถือคนนั้นพูดอนันนี้ไปถูกอันนั้นสัญญาอิจาาจะเป็นคนหลงไม่นะเราตั้งใจงแต่มันพูดไปถูกแ่ว่าเราไม่หลง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 ใช่ตงกำเนิดไมไม่ไม่กำเลิกแต่ความอยากมันมีอาการอยู่แต่าะมรู้ผทานแต่ฟาโล่ร evet <LE ู้จักอยู <t t ่ว่ามันอยากอยากคือรู้จักอาการมันมันไม่เอาจริงจังไม่เอาจริงจังเพราะมันยังไม่ใช่เอเรื่องของมันยังไงมันมีอยู่ยังไงที่นี่ก็อะไรที่มันเหือยนแห้งมันจะเป็นไปเองของมันแม้ตลอดความพันไม่ตลอดอสุจิเม้ตลอดอะไรมันมันเป็นไปตามสภาพของมันนะ ไม่ต้องเหบางคับอะไรมันเสว่าเมื่อเรานึกนึกบางทีมันนึกคือความอยากคือมันเคยอยากมาแต่ก่อนอาการมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่อุปทานไม่มีอุปทานเลยอย่างนี้มันต้องเคดกับเจ้าของมันจึงดูจับจริงจังแนี้แน่นอนไม่ทุกไม่กกทุก์กี่ิงเท่าไรเรานี้คงจะเป็นยัง้งมันมีอยู่ในจิตของเราเราคอยสังเกตจิตของเรามันสบายกว่า คนอื่นไม่รูมันอย่าให้ว่ามันไปละเมิดระ ง, งับตรงนู้นตึงโลกระ ง, งับที่ความเห็นชอบมันแหละนี่ไปหมายมั่นมันตรงนูน้ต น, นตรงนี้เลยแต่โน่นไปนี่ก็ไปแตไปหมายมั่นมันไม่ได้เป็นทุกจะเอาไปเอาความดีอยู่นู่นไปเอาความดีอยู่นี่ไม่ได้ตรงนั้นอากาศมันดีมากก่อนั้นอันนี้ไม่ได้เหมือนแต่ให้มันรู้รู้แหละคิดแต่ก็ระ ง, งับเออ เป็นเรื่องของเงินนั้นมันเป็นไปเป็นมากห า, หากดูอุปทานมันมีไหมพอำํำสันมันหาไม่เจอแล้วก็ไม่มีแล้วอุปทานมันก็มั่นหมายนี่มันไม่มั่นหมาย